ชนบุรีจัดงานราชมงคลปฏิประทานการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณรลานกิจกรรมอาคารปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีวันศุกร์ที่21ธันวาคม2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดงานราชมงคลปฏิประทานการหน้าลายกิจกรรมอาคารปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจกังหวัดชนบุรีจากการสัรหาที่การบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกบัดนี้ได้มีประกาศสำนักนา ย, ยกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกหน้า24เล่มที่135ตอนพิเศษ298ง ราชสกิจจานุเบกษาลงวันที่23พฤศจิกายน2561 สำนักเลขาธิการารัฐมนตรีได้นำความขึ้นกลาวคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรองศาสตราจารย์สมชายปฐมศิริดารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงลตะวัออนออกได้มีพระราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรองศาสตราจารย์สมชายปฐมศิริให้ดารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงลตะวันออกตั้งแต่วันที่18พฤศจิกา IG, ยน2561ประกาศณวันที่22พฤศจิกายน2561 ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิเาลดลกรปรินทรเทพยัวรางกูลที่ทรงมีพระราชองค์การโปรดกล้าโปร ด, ดกระหม่อมแต่งตั้งรองศาสตราจารย์สมชายพรมสริริให้ดำรงตําแหน่งที่การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อีกทั้งรองศาสตราจารย์สมชายปฐมศิริจะแถลงนโยบายการบริหารในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่สาธารณชนเพื่อให้มีการรับรู้และรับทราบแนวทางการพัฒนารวมถึงกรอบทิศทางการดําเนินงานภายใต้การบริหารจัดการบนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและการปรับเปลี่ยนรูปแบบด้านการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่อนาคตโดยใช้หลักธรรมบิบาลและต้องได้รับการตรวจสอบและประเมินจากภายนอกด้วยเช่นกันโดยมีอธิการบดีและผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก8แห่งเข้าร่วมงานรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมงานอาทิผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธส์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสถานีตำรวจศรีราชาและสำนักงานวัฒธรมจังหวัดชนบุรีงานราชมงคลปฏิปธานการเป็นงานเทิดประเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่มีพระราชาองค์การโปลดกล้าวแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและเป็นธรรมเนียมที่บรรดาอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกแปดแห่งจะได้มาร่วมแสดงความยินดีในวาระอันเป็นมงคลอันเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชมงคลปฏิทานการมีความหมายว่าวาระอันซึ่งผู้เป็นใหญ่แห่งราชมงคลคือราชมงคลปฏิ ได้รับพระราชทานพระราชองค์การโปรดเกล้าวอย่างเป็นทางการคือประธานการการนี้ยังจะเป็นการประกาศเกียรติแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้แก่แปราชมงคลในฐานะปิยมิตรผู้ใกล้ชิดและบรรดาหัวหน้าส่วนราชการองค์กรภาครัฐเอกชนตลอดจนสื่อมวลชนเพื่อประกาศสกัดใหม่แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้เป็นที่รับรู้และแสดงเกียรติภูมิแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้ปรากฏสืบไป ตำรวจเตรียมกำลังคุมเข้มตามมาตราการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2,562 ระหว่าง24ธันวาคมถึง2มกราคมพลตารวจโทปิยะอุทายโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกล่าวถึงมาตราการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2,562 โดยระบุว่า ตำรวจจะเริ่มกวาดล้างอาชญากรรมและเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตั้งแต่24ธันวาคม2561ถึง2มกราคม2562ควบคู่ไปกับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตรวจสอบอาวุธยาเสพติดและบุคคลที่มีหมายจับตามเส้นทางการเดินทางทุกช่องทาง รวมทั้งเข้มงวดกับสถานบริการต้องเปิดปิดเป็นเวลาไม่ให้เด็กหรือเยาวชนเข้าใช้บริการและไม่ให้ประชาชนจุดพลุดอกไม้ไฟหรือปล่อยโคลมลอยขณะที่ด้านการจราจรได้ประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรห้ามรถบรรทุก10บล้อขึ้นไปใช้ถนนสายสําคัญที่มีการจราจรครับข้างระหว่างวันที่27่ธันวาคมนี้ถึงสามกราค ม, มเช่นถนนมิตรภาพช่วงทับกวางคลองไผ่ระยะทาง78กิโลเมตร ถนนกบินบุรีนาดีระยะทาง30กิโลเมตรนอกจากนี้จะมีการกวดขันวินัยการจราจรอย่างเข้มงวด10ข้อหาหลักเช่นการขับรถขณะเมาสุราขับรถเร็วขับรถแซงในที่ขับขันและขับรถย้อนซ้อนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดโดยการกระทําความผิดฐานเมาแล้วขับนั้นตํารวจจะจับกลุ่มพร้อมกับนํารถยนต์ไปตรวจสอบเนื่องจากเป็นวัตถุที่ใช้กระทําความผิดตรับฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้า กับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระาจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี